บันดาท่านประโยคาวาจรทั้งหลายสำหรับเวลานี้การที่จะรับฟังมหาสติปัฏฐานสูตรเป็นบัพสุดท้ายคือเป็นบัพที่พึงจบท่านเรียกว่าสัจจะบัพที่ในหนึ่งที่เรียกว่าอริยสัจสำหรับอริยสัจนี้ยาวมาก แยาพูดกันวันเดียวจบไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าจะถือตามในพระบาลีจริงๆก็น่ากลัวว่าจะต้องพูดกันถึงสิบวันการพูดแบบนั้นก็เป็นพูดเรื่องปริยัติแต่นี่เราเป็นนักปฏิบัติผมก็จะขอร่วมตามแบบนักปฏิบัติเลยทีเดียว ว่าการปฏิบัตินี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าธรรมะของเราไม่เอะทำเป็นเครื่องเลื่อนช้าตุรีตตุรี ต, ตังสีฆะสีคังธรรมะของเราต้องปฏิบัติเร็วๆไวๆไม่ใช่ว่าจะมารับฟังกันแล้วก็ยังจะมีความโลภจะมีความโกรธจะมีความหลงทําให้อารมณ์ชั่วอย่างสิงอยู่ในใจนั่นไม่ใช่ เป็นวิสัยของสาขยาบรพุทธจินโรนรสจังนั้นพระบาลีที่ปรากฏนามาในามหาติปรธานนโสูตรรองทรงชีช้แจงไว้มากแต่ถือว่าเป็นสำนวนที่เหมาะสมนในสมัยนั้นผมก็เลยขออธิบายตัดให้สัน้นเถือใจความเพื่อเป็นการปฏิบัติโดยเฉพาะมากลา่าวแก่ท่านทั้งหลาย <c oughs> ในอันดับต้นนี้ก็จะขอรัตนาบรมีพระบาลีที่องค์สมเด็จประจอมไตรประมาสสะชันดาสสไวเป็นสังเขปว่าปุณณจัปรลังพิฆเวทิโคธํามเมสุธรรมานุปัสสีวิหารติจะตูสุอริยสัตติจะอริยสัจเจสุดังนี้เป็นต้น ความาดูก่อนพิสุทธิั้งหลายข้ออื่นยังมีอยู่อีกย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออริยสัจซึ่งแปลว่าเป็นขอจริงที่พระริยาเจ้าทรงรับรองดังนี้เป็นต้นสําหรับพระบาลีพระยาขอว่าตะเพียงเท่านี้ตอนนี้ก็จะขออธิบายอริยสัจกันเลยคําว่าอริยสัจ จำให้ดีเนี่ยครับนี่เราศึกษาบางท่านศึกษากันมาหลายรอบแล้วจงอย่าเอาใจเข้าไปคบความชั่วจึงที่ทำตัวให้มีความเด็ดร้อนในความจริงผมรู้นะว่าใครนี่มีอารมณ์ดีบ้างใครมีอารมณ์ชั่วบ้าง อย่าเอาจริยาเบื้องหน้าเข้ามาปกปิด ก, กันไม่มีความหมายเพราะว่าองค์สมเด็ดจพระเจ้าอมไตรประมศ า, าศสดาลทรงตรัสว่านาทิโล ก, กลีลโหนามะความลับไม่มีในโลกดังนั้นถ้าใคยมีความช่วยแล้วก็ถ้ายังปลดไม่ได้ก็เก็บเป็นไว้เส้ในใจอย่างเดียวอย่าให้มันไหลไม่ทางวากายทางวาจา ถ้ายังคืนปล่อยไหลออกมาแล้วก็รู้สึกว่าจะด้านเกินไปจอกลายเป็นอุปสมะชีวิการหลอกลวงชาวบ้านเขาหากินอันนี้ไม่เป็นการสมคนถ้าปฏิบัติไม่ได้ก็เปลืองผ้ากาสาวพัดศึกออกไปนุ่งกางเกงนุ่งสบงแลวือ น, นุ่งกางเกงนุ่งกระโปรงแล้วตามปกติอย่ามาอยู่ให้ทำพระพุทธศาสนาหมหมอง วันนี้เราศึกษาเรียสัตย์แต่ความจริงทนักปฏิบัติที่มีกำลังใจจริงๆไม่มีความจำเป็นต้องศึกษาทั้งแค่นี้เพียงแค่กายานุปัสสนามหาปฏิบัตฐานก็เสร็จไปแล้วจุดนั้นละเป็นจุดที่มีความสำคัญที่สุด ถือว่ามาจิตานุปัสสนามหาสุิประธานเป็นศูนย์กลางแห่งการปฏิบัติมันก็จบไปแล้วยังจะไม่ต้องมานั่งแบบกิเลสท่านนงตนว่าเป็นคนดีเป็นคนอิเศษโดยแบกเอากิเลสคือความชั่วเขาไว้ในใจที่นั้งขอท่านาันหลายผมเคยเตือนปีหลายสิบครั้งว่าอัตนาโจทย ต, ตานางัง จงเตือนตนโจดหาความชั่วของตัวไว้เป็นปกติแต่ถ้าว่าบางท่านยังมีอยู่ชอบประจบชาวบ้านชอบเอาดีเอาเด่น ท, ทั้งที่จิตใจนะั้มันชั่วนั่นมันแสดงที่ความชั่วที่อยู่ในใจเต็มอัตราสิบมันยังล้นออกมา ขอท่านนังหลายจะนงัดใจเสียท่านที่ดีก็มีมากที่ชั่วก็ดีที่มีก็มากดันั้นขอท่านนังหลายผมไม่ถือว่าเลวเกินไปถือว่ากําลังใจของท่านมันสกรปรกก็จะกินเลสวางมันเสหยหมดอย่าทําตนเป็นคนเด่นอย่ามีความรู้สึกตนว่าเป็นคนดี ก็จะคานกับคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจินสีที่ว่าจงกล่าวโทษจดโจดความชั่วคือยกความชั่วของตัวขึ้นเป็นสําคัญแล้วธรรมะขององค์สมเด็จพระบิดาตรมัยขับรหัสประหารความชั่วนั้นให้สิ้นไปอย่างนี้ถึงจะถูกถึงจะเป็นการสมควรพิจารณาตัวพิจารณาใจกนไว ถ้ายังไม่รู้ถ้าผมบอกเมื่อไรเมื่อนั้นนั่นแหละก็ต้ อ, ออกไปจากเขตนี้แต่ว่าทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกคนชั่วนะผมพูดทั้งว่าอารมณ์ชั่วที่มีอยู่ในใจถ้าจะคพิมีถ้าเรายังไม่สามารถจะตัดให้เป็นกิลเลสมมดเชตวะหารได้เราก็ยับยั้งชั่งเอาไว้ใช้ขันติเป็นเครื่องคม ใช้วิริยะเป็นเครื่องตัดตอนดูพชโพชทธชนเจตที่ศึกษากันมาแล้วเอาโพุทธชนเจตเป็นเครื่องปรับใจใช้จิตตานุปัสสนามหาสติสติปัฏฐานเป็นศูนย์แห่งการปฏิบัติได้ความจริงเดียวว่ากันจริงๆและการจเจริญพระกรรมฐานในการจะสร้างความดีนี่อยู่ที่จิตเป็นตัวสําคัญ ตามที่องค์สมเด็จพระสง์ทันสมเด็จว่ามนโนปพังขามาธรรมามนโนเสธามนโนมญะทำท่านหลายมีใจเป็นหุ้นหน้ามีใจประเสริฐสุดสมเด็จในใจถ้าใจของเรายังเลวใจของเรายังมีความท น, นงใจยังมีความโลภโลภในทรัพย์สินโลภในยศฐานบรรดาศักด์ ใจก็ยังมีความรักไปรปเสียงเรียนรดเออสัมผัสใจยังมีความท่านงมีจิตอิจฉาที่เสยบบุคคลอื่นท่า น, นงตนว่าดีกว่าเขาท่า น, นงตนว่าเร็วกว่าเขาท่า น, นงตนว่าเสมอเขายังมีความหลงผิดอยู่อย่างนี้แสดงว่าความชั่วยังเต็มอัตราตายแล้วมีวีัยไปสู่อบายภมงไม่ดี พยายามเคาะพยายามลิสไปทีละเล็กกันน้อยเหมือนกับหินก้อนใหญ่ค่อยๆเคาะลงไประเดียวมันก็หมดเราทุบทีเดียวมันไม่แตกแทงก้อนก็คเคยทุบไปทีละเล็กกันน้อยแม้ว่าถ้าท่านที่บวชเก่าผ่านรรษามาแล้วยังทุบอะไรไม่ได้เลยก็ถือว่าเลวเกินไปอ้ฟังกันทุกวันยังเอาดีอะไรไม่ได้ ยังมีปากชั่วยังมีจิตชั่วจะมีกายชั่วอย่างนี้มันก็เรียกว่าชั่วเกินชั่วเกินกว่าที่ยังมีครองตัวมีสภาพเป็นมนุษย์นี่เราก็มานั่งพิจารณาถึงอริยสัดแต่ความจริงผมเล่าเรื่องมาเมื่อกี้นี้ก็เป็นอริยสั์ แต่ฟังฟังกันแบบนั้นแล้วยังไม่เข้าใจว่าเป็นธรรมะที่มีความสำคัญก็รู้สึกว่าใจมันด้านไม่ใช่ใจหนาใจหนาอย่างเดียวจากสะกิดตัวตีเจ็บถ้าใจด้านแนีมีดเข้าไปเถือไมันก็ไม่เจ็บอย่างนี้มีหวังอเวจีมหานรกเตรียมตัวเตรียมใจไว้ ว่าจะลงคุ้มไหนเลือกเอาตามชอบใจแต่เลือกไม่ได้แน่ที่เลือกก็มีอยู่อเวจีเท่านั้นสำหรับอริยสัตว์นี้พระพุทธเจ้าว่ามีสี่อย่างคือหนึ่งทุกแปลว่าการที่ต้องทนสองสมุทยัยปัจใจให้เกิดถึงความทุกข์สามนิโรธะ ความดับทุกข์แล้ทุกข์ดับไปไม่เหยนความดับทุกข์นะผมขอแปลว่าทุกข์ดับไปสี่มรรคปฏิปทาที่ทําให้ทุกข์สลายตัวมีสี่อย่างฟังกันมานานแล้วสําหรับที่ท่านเพื่อพูดบทเกา่าที่บทมานานฟังกันมันหลายสิบรอบ มีความรู้สึกบ้างไหมว่าจริยาที่ทำอะไรลงไปถ้าทำให้คนอื่นเขามีทุกข์แล้วก็เรามันเป็นคนทุกข์เรามันเป็นคนชั่วเพราะยังบูชาความทุกข์นี่ทุกตัวนี้พระพุทธเจ้ากล่าวว่าชาติพิทุขาความเกิดเป็นทุกข์ ชราบีทุกขาความแก่เป็นทุกข์วันนำมีทุกครั้งความตายเป็นทุกข์โสกะปรีถีวทุกตโทมนัสสุภายาตความเศร้าโศกเสียใจเป็นทุกข์ความพัดพลาดจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ ความเกิดขณะที่เกิดอยู่ในท้องแม่มีสภาพอย่างไรก็ช่างเถอะเอาเวลานี้ที่เราทรงตัวอยู่เรามีความรู้สึกไม่ว่ามันทุกข์หรือว่าใจด้านทั้งหมดแล้วไม่รู้อะไรมันทุกข์ความหิวความกระหายเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ หนาวกเกินไปร้อนเกิ น, <c oughs> ปนไปเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ความปรารถนาไม่สมหวังเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ร่างกายที่เคลื่อนเข้าไปหาความแก่หาความสุดโทรมหูฝ้าตาฟังผมหงอกฟันหักเรียบแรงหมดไปสลายตัวไปเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ อาการป่วยไข้ไม่สบายที่เกิดขึ้นกับร่างกายเป็นอาการของความสุขหรือความทุกข์ความปรารถนาไม่สมหวังเป็นอาการของความสุขหรือความทุกข์อาการการกระทบกระทั่งการมที่เราไม่ชอบใจเป็นความสุขหรือความทุกข์การปวดอุจจาระปัสสาวะเป็นความสุขหรือความทุกข์ การพัดพลาด จ, จะของรักของชอบใจเป็นความสุขด้วยความทุกข์เมื่อความตายมันจะเข้ามาถึงทุกขเวทนามันบีบคั้นอย่างที่เล่าเรื่องของผมมันทั้งปวดมันต้องเสียดเป็นประจําวันมีอาการอาเจียนร่างกายเป็นในความวิงเวียนบางทีกระลุกมันหน้ามืด อ, อาการอย่างนี้เป็นอาการของความสุขด้วยความทุกข์ การถูกดินทาว่าร้ายเป็นความสุขที่ความทุกข์การหลงไหลไฝฝันในคำสรรเสริญต้องการ ค, ความความเป็นทาตของบุคคลอื่นเอาใจบุคคลอื่นเขานอกธรรมนอกวินัยหวังจะเอาใจให้คนอื่นเขาชมมันเป็นความเลวมันเป็นความสุขที่ความทุกข์เพราะต้องฝืน เกรงว่าเขาจะไม่ชอบเกรงว่าเขาจะไม่รักก็ต้องฝื้นทำเอาใจนอกฤตนอกรอยเป็นอันว่าความทุกข์จริงๆเรามองเห็นกันได้ง่ายว่าคนเราคนดีสัตว์ดีเราก็ดีคนอื่นก็ดีแต่ได้เกิดมาในโลกนี้มันไม่มีความสุข <c oughs> นี่ผมขอพูดยนยอ ข้เราพิจารณากันได้มันต้องใช้ปัญญากันแล้วตอนนี้ปัศนาญาณ น, นี่เป็นเรื่องของปัญญาแค่แค่ชี้แจงมาเพียงเท่านี้ท่านยังไม่เห็นว่าเป็นความทุกข์ก็ควรจะไปทุกข์แนเวจีมาหานรกมันถึงจะสมกับความชั่วของจิตเพ <c oughs> ราะจิตมันมีแต่สัญญาไม่ได้ใช้สัญญา สอนธรรมะจากผู้อื่นให้ผูอืนฟังอ้อนธรรมะให้เขาฟังแสดงกายว่าเป็นนักทรงตัวอยู่ในธรรมอาศัยผ้ากาสาวพัดทึงเป็นธงชัยของพระอาหารหันต์แต่ใจมีกำลังใจด้านไม่รู้อาการของความทุกข์นี่มันก็ชั่วเต็มทีเป็นอันว่าให้มีความเข้าใจว่าอาการของความทุก ก็ทุกเรามองเห็นกันได้ง่ายมันก็ไม่ต้องใช้เป็นยาสูงอะไรเพียงแต่เพียงกค่บรรนั่งถ้ามันไม่รู้ทุกจริงๆแล้วก็วันทั้งวันในวันพวงนี้ก็ได้อย่ากินข้าวมันจะกินน้ามันปล่อยให้มันหิวทั้งวันดูที่มันจะสุขกับมันจะทุกเวลาปวดอุจจาระปัสสาวะก็อย่าไปถ่ายมัน ลอยมันววาอย่างนั้นนะ่ะมันจะสุขแล้วมันจะทุกข์ถ้าการกายใดๆที่ทรงอยู่ในลักษณะในอยู่ในขณะนั้นอยากเป็นอริยบทดูที่ว่ามันจะสุขแล้วมันจะทุกข์อันนี้ทุกข์สาหรับส่วนตัวไอนน้ทุกข์จากกิเลสตัวหนึ่งคือราคะอยากมีผัวอยากมีเมียอยากมีลกูกอยากมีหลาน อาการอย่างนี้มันเป็นการอาการทัองความสุขและความทุกข์นั่งนึกดูให้ดีสิถ้าเราอยู่คนเดียวอะไรอะไรแบบง่ายๆแล้วก็ทำได้ทุกอย่างถ้าเป็นผู้มีครองคู่เข้าต้องเอาอกเอาใจซิ่งกันและกันคู่ครองทุกคู่ไปถามนี่วเขาทะเลาะกันมาหรือเปล่าทุกคนถามเข้าก็บอกว่าเต็มไปได้วยความทุกข์ เอามีลูกมีเต้าภาระต้องแบกหนักตั้งแต่ลูกเล็กว่าถึงลูกใหญ่เจอท่านให้การศึกษาแก่ยลูกใช้ทรัพย์สินเท่าไหร่เนอยอ่อนเพิ่มเข้ามาเท่าไหร่ถ้าลูกดีก็พอตำเนาถ้าลูกเลวเจอลูกเลวเข้าเกิดทุกข์หนักนี่เรารู้สึกไม้มว่ามันทุกข์ถ้าไม่รู้สึกก็รู้สึกว่าหนักใจมาก นี่ก็ผมขอสรุปว่าคนรู้แล้วว่ามันทุกข์ตอนนี้มันนี้เมื่อความทุกข์ไม่เกิดขึ้นก็ไปต้องไปดูว่าทุกข์นี่มันมาจากไหนองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมสารเสนาสัสสมมาสัมพุทธเจ้าทรงกล่าวว่ามันมาจากตัณหาคือความอยากมาลองนั่งนึกดูดิ เพีงแค่เพียงแค่จะกินอาหารอย่างเดียวมันก็ทุกข์เพราะอะไรทุกข์จากความหิวมันหิวมันจึงกินถ้าไม่หิวมันก็ไม่กินนี่เวลาที่เราจะกินอาหารมันก็เริ่มทุกข์อีกแล้วว่าอาหารที่เราจะบริโภคเข้าไปแล้วมันจะถูกใจเราไหมมีหลายรายที่พบ อาหารมีอยู่เต็มสำรับใม่พอใจอยากจะกินอย่างโน้น อ, อยากจะกินอย่างนี้นี่สนแสดงว่ากำลังทันหามันล้นตัวทนี่สร้างอารมณ์ชั่วเป็นปัจจัยของความทุกข์ให้เกิดมากขึ้นและอาหารที่เราจะกินเข้าไปนั้นมันได้ไมาจากความสุขหรือว่าได้ไมาจากความทุกข์ เรากินสุขหรือว่าเรากินทุกข์นี่อำนาจความอยากแล้วก็ต้องมานั่งดูมันว่าข้าวที่เราจะเปิบเข้าปากนะพื้นฐานเดิมมาจากไหนเขาต้องไปไถเขาต้องไปหวานกันก่อนอาการไถอาการหวานมันแบกอาการสุขกัแบกการของความทุกข์ มันเหนื่อยฝนตกแดดออกร้อนเลื่อนหนาวก็ต้องทนดีไม่ดีทํางานอยู่อย่างนั้นงูเงี้ยวบรรยากาศตายอะไรก็ไม่รู้เสี่ยงภัยอันตรายทุกอย่างเหน็ดเหนื่อยก็แสนที่เย็นเหนื่อยก็จําจะต้องทําทําเพราะอะไรทำเพราะความอยากอยากตรงไหนอยากกินอยากมีกินอยากมีใช้ อยากจะร่ำรวยทำข้าวเข้ามาแล้วก็อยากจะได้ข้าวไปขายได้เงินมาก็อยากก็อยากได้อย่างโน้นอยากได้อย่างนี้นี่ที่ทุกข์เพื่อความเหนื่อยยากมันเป็นเพราะความอยากใช่ไหมแล้วเมื่อกินเข้าไปแล้วอิ่มหนึ่งมันหมดทุกข์แล้วดีอย่างกินเข้าไปไปเดี๋ยวหนึ่งไม่ชามันก็หิวใหม่ไอหิวความหิวเกิดมานี่มันก็ทุก เมื่อกินเข้าไปแล้วไอ้ของเก่าเข้าไปของใหม่มันจะออกโพรดอุจาระปัสสาวะมันเป็นสุขก็เป็นทุกข์เป็นอันว่าขอพูดหยอ่อยๆว่าแค่กินอย่างเดียวก็เป็นทุกข์นี่การมีทรัพย์มีศินนี่มันเป็นสุขก็เป็นทุกข์มีทรัพย์ไม่มีก็ทุกข์มีก็ทุกข์ ไม่มีก็ทุกข์เพราะความเพราะความไม่พอมีมากเกินไปแล้วมีอยู่มั่งก็เกรงว่าภาัยอันตรายจะเกิดจะชนผู้ร้ายจากไฟไหมจากน้ำท่วมจากลมพัดก็ทุกข์อีก <c oughs> นี่มันก็เป็นปัจจัยของความทุกข์แค่กินอย่างเดียวนี่ถ้าความป่วยไข้ไม่สบายไม่เกิดขึ้น มันหนาวบ้างมันร้อนบ้างมันเอืดบ้างมันเสียดบ้างมันปวดที่โน่นบ้างปวดที่นี่บ้างมันเป็นสุขแล้วมันเป็นทุกข์เป็นอันว่ามันก็เป็นทุกข์ให้ความรักระหว่างคนรักถ้าเกิดไปรักผู้หญิงผู้หญิงรักผู้ชายผู้ชายรักผู้หญิงความรักเป็นอาการชื่นใจอย่างหนึ่งแต่ตัวรักเนี่ยมันตัวทัหา รักโดยการมาราคะเนี่มันเป็นดัญหาเพราะรักอยากจะได้เขามาเป็นคู่ครองในขณะที่รักมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์อารมณ์รักเป็นสุขแต่อารมณ์ที่คิดว่าเขาจะไม่รักด้วยมันเป็นทุกข์บางทีขณะรักกันอยูก่กระโจนกระจีก็กกกดีเพราะจากกันไปหน่อย ก็มีความระแวงสงสัยว่าไม่น่าจะจากกันไปนี่เขาจะไปรักใครอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้ไอ้ความปรารถนาที่เราจะพึงจนได้มันจะได้หรือไม่ได้ที่ตั้งใจไว้แล้วไอ้การหวั่นไหวอย่างนี้เป็นาการของความสุขเ่ความทุกข์ นี่ไม่อยู่ร่วมกันเข้าการเกื้อกูลซึ่งกันและกันต้องเพิ่มภาระการงานทุกอย่างที่เราเคยทำน้อยทำไม่ได้ต้องทำมากต้องทำเพื่อกันไม่การเพิ่มการงานขึ้นมาอย่างนี้มันเป็นความสุขหรือความทุกข์นี่นั่งดูทุกข์ทำไมเห็นทุกข์แล้วมันมาจากไหนมาจากตัวอยากคือตัณหานี่ขอสรุปสั้นๆ ว่าเราเกิดมานี่ต้องประสบกับความทุกข์ตั้งแต่วันเข้าปฏิสนธิของคันมันดาถึงตายใช้ปัญญาพิจารณาเราเองอย่าต้องให้พูดมากเกินไปเพราะสอนกันมามากแล้วถ้ายังพูดอย่างนี้ยังไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์ก็เชิญเถอะไปเอเวจีตามสบาย ก็ใจมันด้านจากความดีความชั่วมันก็เข้าสิงนี่การตัดตันหาก็ต้องตัดเดิมหน้าคอมมัดเพราะไอการจะตัดทุกเนี่ยมันตัดตันหาพระวันเจ้าทรงตัดให้ไว้ว่าให้ต้องตัดไฟที่ตัต้นลมจงอย่าไปตัดที่ปลายลม ตัดตัณหาคือตัดอารมณ์อยากมันเสียถ้ามันมีความอยากอะไรขึ้นมาก็ใช้พิบทพิจารณาในใจว่าสิ่งทั้งหลายที่เราจะพึงได้มาเนี่ยมันได้มันแล้วมันสุขแล้วมันทุกข์เราก็ต้องรู้ปัญญามันไม่อยู่นี่ไม่เคยมีรถยนต์พอมีรถยนต์แสกันจะรู้เลยว่ามันทุกข์ ก่อนจะได้มาหาเงินมันก็ทุกข์เอได้มาแล้วต่อน้ามันเชื้อเพลิงใส่น้ำมันหล่อลื่นใส่น้ำมันระวังน้ำเสียของใช้เครื่องจักรกลเมื่อตัวรถมันจะบบสลายใจมันเริ่มทุกข์ทุกข์เพราะอะไรเพราะทุกข์เพราะตัณหาอยากจะได้มาเมื่อได้มาแล้วมันก็ทุกข์มันเสียนนท์เสียนี่เข้ามาแล้วก็หาเงินไปซ่อมจ้างช่างก็ซ่อมมันก็เป็นทุกข์ เป็นอันว่าร่างกายของเราก็ดีร่างกายของบุคคนอื่นก็ดีวัตถุธาตุต่างๆในโลกที่ถือว่าเป็นสมบัติก็ดีทั้งหมดนี้มันเป็นปัจจัยของความทุกข์แต่ความจริงมันอยู่ข้างมันดีๆมันไม่ได้ทุกข์หรอกใจเพราะเรามันเสื่อม ใจเสียกไปอยากได้มาไม่อยากได้มาแล้วก็ต้องมีการประคับประคองมีการระมัดระวังมันก็เป็นปัจจัยของความทุกข์เป็นอันว่าสําหรับวันนี้ก็แนะนํากันได้เพียงแค่ทุกติดนั่งโดยหยอขอให้ทันหาความทุกข์ของท่านเองอย่างนี้ควรจะพิจารณาทุกวันทุกวันไว้เห็นคนเดินไปเดินมาเห็นสัตว์เดินไปเดินมาให้รู้ว่าในใจของเขาเต็มไปด้วยความทุกข์ ไม่มีความสุขเราสำหรับวันนี้เวลาที่จะแนะนำกันก็หมดแล้วก็ข อ, อยุติว่แต่เพียงเท่านี้